ในช่วงคุยธรรมะกันวันนี้อาตมาการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมที่เราๆคือว่าเรา การปฏิบัติที่เป็นรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนะการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบที่หลายๆคนอาจ เรื่องที่มีความเพียรเรื่องที่มีความขยันกันปุ๊บเราเห็นผลดันตินะถ้าไม่มีตรงนั้นก็จะ ดูอย่างเช่นว่าโดยอย่างเช่นว่าตำรวจหรือว่าทหารหรือว่าคนที่เขาป้องกันประเทศชาตินักดับเพลิงก็แล้วแต่ ไม่ใช่นะต่อให้เค้าเป็นมือโปรขนาดไหนเนี่ยเค้ามีพอเราที่เป็นรูปธรรมชาติเวลาเราออกไปใช้ในชีวิตประจําวันอะไรต่างๆเนี่ยมันไปได้ดีและยัง หรือบางคนก็เล่นกีฬาบางประเภทเช่นตีแบดอย่างงี้นะที่แบดี้คอฟๆแปะอย่างเงี้ยนะสตีดีก็จรนิงก็ดีแล้ว ทีนี้ถ้าผมว่าเรามีการฝึกที่เป็นรูปแบบอย่าง ไหนอยู่คุณเดินไปตามถนนคนเค้าด่าคุณคิดว่าคุณจะสบายใจจิต สวยงามขึ้นสวยงามขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นหลักแหลมขึ้นฉลาดขึ้นสร้างสรรค์มากขึ้นเนี่ยเรา อะไรเป็นแบบว่าเหมือนพระสงฆ์ที่แบบทำทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยนะอันนี้ นะต่อสู้กับกิเลสเต็มที่ทีนี้ นะ, นะ, 7 วันหรือ 2-3 ปี 3-4 วันอะไร การนาวจิงต้องมีการฝึกที่เป็นรูปเย็นหรือว่าสัปดาห์หนึ่งให้มีเราก็จะทําให้ ประสบการณ์ที่เราใช้ในการๆอย่างเงี้ยนะๆน้อยๆเพื่อให้เจอคือเราดูจิตถูก 3-4 แบบนะความ ดำรงสตินี่มันเป็นยังไงในสตินี่คือความระลึกๆในตรงจมูกนะเพราะ ตรงนั้นน่ะเป็นจุดที่เราระลึกถึงลมหายใจพอเราระลึกถึงลมหายสายวุ่นวี่วุ่นวายคิดไปนั่นไปนี่ทั่วทิศ เนี่ยนึกไปนั่นไปนี่ๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าจิตของเรามันมันเปลี่ยนแปลงดิดดิ้นไม่แน่ไม่นอนอุ๊ยวุ่นวายไปหมดเนี่ยก็จะเริ่ม ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พอยอมรับตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเป็นรายละเอียดในจิตเล็กๆที่ มันเป็นอย่างนั้นได้เพราะเรามีการฝึกที่เป็นรูปแบบตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นการฝึกที่เป็นรูปแบบเนี่ยจึงมีความสําคัญนะมันจะช่วยทําให้ ถึงจะเป็นมือแต่กําหนดอย่างไรก็ตามจะเป็นมือโปรมืออาชีพในขณะเดียวกันอย่าง ทำสติให้มันเกิดอยู่มากขึ้นนั้นในขณะเดียวกันและถ้าในระหว่างวันเนี่ยเราพยายามที่ๆเราลิฟต์อ่าชั้นตรงนี้ชั้นปฏิบัติที่เราปฏิบัติที่เป็นรูปแบบตอนเช้ากับตอนค่ําเนี่ยมัน นั่นคือบาง 15 นาทีพอไม่ 15 นาทีจิตฟุ้งซ่านไปแล้ว 14 นาทีเหลืออีก 1 นาทีมันเริ่มจะสงบลง 1 นาทีใช่มั้ยถ้าในถ้าในขณะนาที มันจะทําให้เอ่อ 15 นาทีเนี่ย 1 นาทีมันก็ 1 นาที 30 วินาทีค่อย 2 นาที 5 นาทีไล่ไปได้ไปเพราะว่าในระหว่างวันๆ2 ตัวนี้จะ ไม่ได้อะไรมากเลย 5 นาทีเวลาที่เราก่อนจะนอนเวลาที่เราก่อนจะนอนเนี่ยคุณนอนหลังสมมุติคุณนอน 4:00 น. น, น, นใช่มั้ย 5 นาทีขอ 5 นาทีตอน 4:00 น. ถึง 4:05 น. นั่งสมาธิ 5 นาที แน่พรุ่งนี้เช้าตื่นใช่มั้ยตื่นกี่โมงตื่น 05:00 น. า, น, น, น5 นะ, มานน5 นาทีตอนเช้านะเราก็ก็มาฟังรายการต่ออย่างงี้นะเราทําอย่างงี้เช้าเย็นเวลาเราก็ค่อยๆยืดไปก็ได้หรือค่อยอาจจะไม่อาจไปว่างตอนสายก็ลองทําดูก็ปรับ นะในการที่จะมารู้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบนะๆทําไปแก้ไข นะ, นะ, นะ, 2 วัน 3 วันอ่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์ เรามีการฝึกอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับอ่านักกีฬาอาชีพก็ต้องมีการฝึกซ้อมนะเพื่อที่จะให้ผลการแข่งขันของ เช่นเดียวกันเรา